เอาชีดคนอื่นมาใช้สอนบาปไหมถามสมัยเรียนเคยเรียนกับครูกวดวิชาในกรุงเทพผ่านมาหลายปีกลับบ้านต่างจังหวัดและเปิดสอนพิเศษก็คิดจะเอาเอกสารเก่านั้นมาสอนแต่เห็นในเอกสารนั้นระบุว่าห้ามทำซ้ำห้ามขายตัวเองคิดแค่ทำซ้ำเพื่อสอนแต่ไม่คิดขายอย่างนี้จะถือว่าผิดศีลว่าด้วยการขโมยของหรือไม่ กรณีที่มีผู้คิดค้นหรือคิดเขียนสิ่งใดด้วยตนเองและแสดงความหวงแหนโดยบ่งบอกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าฉันไม่ให้เธอเอาไปใช้ต่อหากเราฝ่าฝืนก็เท่ากับมีส่วนกรรมแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์ครอบครองของเขาครับสิทธิครอบครองเป็นความสะเทือนที่มีพลังเมื่อถูกต้องพลังนั้นด้วยวิธีล่วงละเมิดข้อห้าม ธรรมชาติก็ตัดสินให้กลายเป็นกรรมไม่ดีขึ้นมาทันทีแบบบางครั้งเราจะมีเจตนาเป็นกุศลเช่นเห็นว่าแบบวิธีสอนจะได้ประโยชน์กับนักเรียนก็ตามผลของการให้ปัญญาจะทําให้เป็นผู้มีปัญญาแต่ผลของการเอาทรัพย์สินทางปัญญามาใช้โดยเจ้าของไม่มีความยินดีอนุญาตก็อาจเกิดวิบากเป็นการตีตรวนทางปัญญาได้เช่นกันกล่าวคือ แม้มีปัญญามากก็เหมือนไม่กล้าคิดไม่กล้าคน้นไม่มั่นใจในสติปัญญาของตนเองสังเกตดูเถอะว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นกันอย่างที่ว่านี่แหละขอแนะนําอย่างนี้นะครับลองเชื่อมั่นในวิทยาทานซึ่งมักให้ผลเร็วเรายิ่งสอนด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ยิ่งสอนด้วยจิตคิดสร้างผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพคุณภาพแห่งสติปัญญาเรา ก็จะเติบโตวรวดเร็วชนิดที่สอนเทอมเดียวอาจเกิดหัวคิดแล่นปรุดปราดเชื่อมโน้นมาโยงนี่อธิบายได้หลากแง่หลายมุมขึ้นเรื่อยๆเขาไม่ให้ก็อย่าไปงอ้อลองเขียนชีดด้วยตนเองดูบ้างยังไม่ต้องเนี๊บมากหรอกเอาแค่พอให้เข้าใจแบบมาตรฐานได้ก็พอเริ่มจากก้าวแรกเล็กๆที่เก็บตกไดจากการสอนทีละครั้งทีละหน คำพูดเล็กๆของเราตัวอย่างเล็กๆของเราค่อยๆสังเกตว่าคำอธิบายใดของคุณโดนใจเด็กทำให้เด็กพยักหน้าได้ทำให้คุณเชื่อมั่นในวิธีการของตัวเองได้ก็ให้โน้ตไว้พอบันทึกเป็นเรื่องๆแล้วเอามารวมกันจะเห็นว่ากลายเป็นกองโตไปโดยไม่รู้ตัวคุณจะเกิดความบันเทิงเริงใจและเชื่อมือตัวเองมากขึ้นกระทั่งกล้าจับกล้านาเนื้อหาทั้งหมด เมื่อร้อยเรียงเสียงใหม่ด้วยหนึ่งสมองและสองมือของคุณเองปัญญาแบบสร้างสรรค์เริ่มต้นจากตรงนี้ล่ะครับคุณมีโอกาสทองแล้ววิทยาทานอันมาจากสมบัติคือสมองของคุณเองยิ่งให้มากก็จะยิ่งได้อนิสงส์เป็นความเชี่ยวชาญมากเชื่อมั่นในสติปัญญาตนเองมากตลอดจนกระทั่งหูตากว้างขวางในสาขาวิชานั้นๆมาก หากทำอย่างต่อเนื่องเป็นปีๆคุณจะยืนอยู่ระดับเดียวกับติวเตอร์ผู้เขียนชีต ท, ที่คุณว่าดีหากทำอย่างไม่ขาดสายไปจนตายชาติหน้าคุณจะเกิดมาพร้อมกับอยากสมองมากกว่าคนปกติมีความริเริ่มคิดอ่านสร้างสรรค์มีความสามารถแก้ปัญหาได้เกินระดับเฉลี่ยนั่นเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจไม่ใช่หรอ